ดูกรพิสูทั้งหลายถ้าพิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการนะถ้าอยากแสดงฤทธิ์ได้แบบนั้นเถอนะก็แสดงฤทธิ์โดยประการต่างๆนะจะไม่อ่านตรงนี้หรือว่าเรานี้พึงได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงที่เป็นทิพย์เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยทิพโสตาธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตะของมนุษย์เถิดเห็นไหมถ้าอยากมีหูทิพย์ก็ทําศีลให้บริบูรณ์ ท่านแสดงว่าเป็นพระอนาคามีก่อนแล้วเอาอภิญญามาเรียงตามหลังนะเอาอภิญญาห้ามาเรียงอภิญญาหกมาเรียงตามหลังเพราะว่าพระอนาคามีนั้นไม่มีนิวรณกลุ่มรุ ม, มง่ายๆเนี่ยนะเฉพาะนิวรณห้าท่านไม่มีกลุ่มรุมเลยเพราะฉะนั้นอภิญญาของท่านเจน ง, ง่ายพระองค์ก็เลยเรียงอภิญญาตั้งแต่อิทธิวิธีหูทิพย์แล้วก็ปราจิตตาวิชาคือการรู้วารจิตของผู้อื่นที่ว่า ดูกัรพิสูนทั้งหลายถ้าพิสุจจะพึงหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาหรือจิตปราศจากราคาก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราค่เนี่ยนะปรารถนาที่จะรู้วาระจิตของคนอื่นในแบบนี้เนี่ยพิสูุนนั้นก็ทำศีลให้บริบูรณ์อันนี้เขาเรียกว่ารู้วารจิตของผู้อื่นน่นะก็นี้ก็หนึ่งในวิชาปด้วยเหมือนกัน แล้วต่อไปดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าพิสูจหวังว่าเราจะพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากเนี่ยนะก็ระลึกได้มากขนาดไห้ก็เอาสีนั่นแหละเป็นต้นนั่นแหละเป็นบาทหรือว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์ซ้ำได้ดีตกยากด้วยที่พยาจากักรสุอันบริสุทธิ์ล่วงจกักรสุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายญุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขิวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฐิยึดถือการกระทาด้วยอานาจสัมมาทิฐิเมื่อตายไปเขาจะ ถึงเข้ า, เ, าเขาจะเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์ดังนี้นะแต่สังเกตดูนะว่าพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยพูดถึงคําว่านรกรู้สึกเต็มปากเต็มคําหลือกินนะของเราบางทีใช้เราไม่ค่อยกล้าใช้ตามเต็มปากเต็มคำนะบางทีเวลาในยุคหลังๆมาเนี่ยคำว่านรกคนไม่ค่อยกล้าใช้นะธรรมะถ้ามีอยู่ข้อหนึ่งมีนรกอยู่ในนั้นจะพูดผ่านกระโดดข้ามไปแต่ถ้าพุทธพจน์เนี่ยนะเรื่องนรกเนี่ยโอ้โหมีมากจริงๆ นนะเหมือนเอาไปโยนลงในนรกเนี่ยสูตรประเภทนี้มีมากจริงๆอันคําว่านรกเนี่ยพระพุทธพจน์ใช้เป็นเรื่องปกติจริงๆเลยนะเพราะอย่าลืมว่าคนที่มีหิริโอตปะมากที่สุดคือใครพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฮิริโอตปะมากที่สุดในบรรดาคนที่มีหิริโอตปะ น, นะผู้ที่มีศรัทธาในากุศลธรรมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละนับว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาในากุศลธรรมที่สุดว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า หวังแบบนี้ว่าเราเพิ่งเห็นหมูสัตว์กําลังจุติกําลังอุบัติเลวประนีตมีผมีผิวพธุ์ดีมีผิวพธุ์ซ้าได้ดีตกยากด้วยที่พยาจักสุอันบริสุทธิ์เรื่องจักสุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนิดเถิดดังนี้ภิกษุนั้น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 พิสูจนั้นพึงเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบด้วยธรรมะเครื่องระ ง, งับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทําฌานให้เหิร์นห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุญยาคารคําใดที่เรากล่าวแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันถึงพร้อมมีปาติโมกอันถึงพร้อมแล้วอยู่เถิด เธอทั้งหลายจงเป็นผู้สํารวมด้วยความสํารวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มักเห็นโทษเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้คำนั้นเราอาศัยอำนาจประโยชน์1ิประการนี้กล่าวแล้วใช่นะอำนาจประโยชน์ข้อต้นก็คือเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเพื่อน สพรมจารีเป็นต้นข้อสุดท้ายก็คือทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้ น, นะเพราะพระองค์อาศัยอำนาจประโยชน์เหล่านี้นี่แหละจึงให้พระพิสุท์ั้งหลายนั้นนะ่ะมีศีลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้อความในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะอ่ายกมาว่าอ น, นิสงส์ทั้ง17เจ็ประการเหล่านี้ก็นับว่าเป็นอ น, นิสงส์ของศีลเหมือนกันในหน้า หน้า31นะของเรานี้กำลังเรียนถึงอณิสงของศีลหน้าที่31อ ย, อยู่นีเพราะฉะนั้นคุณของศีลเนี่ยนะมีอนเนกประการมีอวิปปฏิสารเป็นต้นไม่ต้องเดือดร้อนใจนะแล้วก็ทำให้ได้ปราโมททำให้ได้ปีตินะเป็นที่เป็นเหตุแห่งโภคทรัพย์แล้วก็เป็นเหตุแห่งการยกย่องของเพื่อนสัพพรมจารี ทีนี้ท่านก็พาลานาถึงอนิสงค์ของศีลโดยเป็นคํากลอนกลอนของคนอินเดียนะพระ ส, สัณณ์เยสสนยสัณณ์เนกุลปุตตานั่งปฏิทานาทียังวินาเนี่ยนะถ้าเป็นคนอินเดียเขาอ่านเป็นคํากลอนเนี่ยนะสําเนียงเขาก็จะสัมผัสกันท่านกล่าวว่าเวน้นศีลดเสียเนี่ยนะที่พึ่งของกุลบุตรทั้งหลายในพระศาสนานี้ก็หามีไม่ ใครจะพึงกล่าวกำหนดอานิสงส์ของศีลนั้นได้เล่าเนี่ยนกะก็บอกว่าเวนกุศลศีลทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะที่พึ่งที่พักพิงของกุลบุตรคําว่ากุลบุตรก็คือกุลบุตรโดยอาจาระโดยมารยาทเนี่ยนะที่พึ่งในพระศาสนานี้ก็หามีไม่เพราะฉะนั้นศีลเท่านั้นเป็นมูลรากของคุณทั้งหลายทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะ เพราะว่าศีลทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะเป็นที่พึ่งของกุลบุตรทั้งหลายในสัททุศาสนานี้ก็คือที่พึ่งที่ที่จะทําให้กุลบุตรหรือพระภิกษุเจริญงอกงามในพระศาสนานี้ได้เนี่ยนะก็ต้องอาศัยกุศลศีลเพราะว่ากุศลศีลเหล่านี้จะนําคุณ ท, ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระมาให้ โลกุศลศีลที่เป็นโลกิยะคืออะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างปัจใจสีนี่แหละข้าวของเครื่องใช้อย่างส่วนใหญ่คนก็จะมองเห็นแบบนี้อ่าแล้วก็ถ้าหากว่าไม่บรรลุคุณธรรมอะไรอย่างน้อยก็สุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะหรือว่าถ้าหากว่าอาศัยกุศลศีลเหล่านี้เป็นบาตรก็ทําให้ได้ฌานได้แล้วก็อาศัยกุศลศีลเหล่านี้เป็นบาตรก็สามารถเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีศีลเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่พักพิงอย่างนี้แล้ว ที่พึ่งอย่างอื่นในศาสนานี้ก็ไม่มีรอกนะแต่พูดไปในพระพิโสด้วยแล้วนี่ก็เป็นลักษณะนั้นจเจ้าอะไรเป็นเครื่องพักพิงด้วยนะถ้าบวชแล้วเนี่ยนะในในในข้าวของเครื่องใช้ถ้าเป็นสมัยก่อนจริงๆก็มีแค่บริขารแปดเท่านั้นเองนะมีบริขารแปดมีจีวรมีสบงตวงจีวรตวงสังกเตะตวงอรับตะคดอันหนึง่งมีดโกนอันหนึง่งบาตอันหนึง่งธรรมกะลกอันหนึงนหน่ง ถ้ามาบางองค์เพิ่มกว่า น, นั้นอีกหน่อยก็มีรองเท้าอีกคู่หนึ่งนะก็มีอะไรไม่มากนะมีเข็มมีด้ายหน่อยหนึง่งถามว่าเอาอะไรเป็นเป็นที่พึ่งอะ่ะใช่ไหมมีอยูม่มีสมบัติทั้งหมดติดตัวอยู่เท่านั้นอะ่ะนะ<ม>จะเอาอะไรมาพอยิ้มแย้มแจ่ ม, มใสกับเขามั่งอ่ะนะเช้ามาก็เหมือนกับว่าเออไปขอเขาอีกแล้วนะพอมีอะไรเป็นเครื่องปลื้มใจกับเขามั่งไอ้จ๊ ได้มาแล้วจะเก็บไว้ฉันวันรุ่งขึ้นอีกก็ไม่ได้นะจะบินไว้เยอะๆพุ่งนี้วันต่อๆไปจะได้ขี้เกียจจะได้ไม่ต้องไปอีกก็ไม่ได้จะรับประเคนไว้เกินอีกก็ไม่ได้นะจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องปราบปลื้มใจเอาอะไรมาเป็นเครื่องพักพิงอ่ะนะเพราะว่ า, าทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนั่นแหละมันก็ต้องมีทรัพย์นั่นแหละทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึง่งคารวะถ้าหากลองไม่มีทรัพย์ดูยิ้มออกที่ไหนนะไปที่ไหนที่เราไม่มีทรัพย์เลยนะโหยิ้มไม่ออกนะที่ที่มันต้องใช้ทรัพย์ด้้้วววยยยแลไมม่่ีีดเน อ้าถ้าพระพิสูุก็เหมือนกันถ้าท่านไม่มีทรัพย์แล้วท่านจะปลื้มได้อย่างไรเนี่ยนะทรัพย์ของคารวะก็เป็นแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายนั่นเป็นทรัพย์ไปทรัพย์ของพระภิสูจ์ทั้งหลายเป็นต้นก็มีทรัพย์คือศรัทธาออาศัยว่ามีศรัทธาในพระธรรมตรายมีศรัทธาในกุศลธรรมอาศัยว่ามีทรัพย์คือกุศลศีลที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ให้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ฮีรดโอตัปะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทรัพย์ถ้าศึกษาเล่าเรียนมาขนาดไหนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทรัพย์ ถ้าเสียสละบาปอากุศลไปได้ขนาดไหนจาข้าอันนี้ก็เป็นทัพย์มีความรอบรู้ในกรรมมศกตาเป็นต้นมากขนาดไหนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทรัพย์ถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้เอาอะไรมายิ้มเย้มกับเขามา้างนะโอ้โหมันเหี่ยวแห้งที่สุดเลยบ้างนั้นเถอะมันเป็นอาภพบ้างนั้นโอ้ยอาภพทั้งทางโลกอาพัพทั้งทางธรรมวันนี้ไปอ่านมาในประสูนย์สูตรหนึ่งนะถึงการเรื่องบินฑบาตนะนะแล้วพระองค์ก็พูดถึงไอ้ท่อนฟืนเผาศพบ่างนั้นเถอะ เขาบอกว่าพิสุพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยทรัพย์ทางคารวาะมันก็หมดนั่นแหละโภคาทั้งหลายเนี่ยประโยชน์ของคารวาะคารวะเขายังมีโภชนะมีข้าวมีน้ําไปให้ทานให้อะไรก็ยังได้ประโยชน์ภาพพิสุก่อนนั่นแหละถ้าบวชเข้ามาแล้วไอ้ประโยชน์เหล่านั้นหมดแล้วละ่นะเพราะจะทํามาเที่ยวบริจาคทานไม่ได้ละมาให้ทานแบบนั้นไม่ได้แล้วทีนี้บวชมาแล้วคุณธรรม ท, ทั้งหลายก็ไม่มีปล่อยให้การมวิตตกเป็นต้นกลุ่มรุม เขาบอกว่าเหมือนกับท่อนฟืนประมาณแปดนิ้วเนี่ยนะประมาณคืบหนึ่งเหมือนกันเด้หัวท้ายไฟไหม้ตรงกลางเปือือนอุจจาระาบาผู้ที่มีศีลดีแล้วปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดเนี่ยมีค่าเท่านั้นแหละ น, นะมีค่าตัวเท่ากับท่อนฟืนเผาศพอันนั้นแหละบอกโอ้วันนี้อ่านแล้วก็แหมสะดุงเกันไปคิดไม่ดีไม่ร้ายไม่ได้ท่อนฟืนนั้นเนี่ย ถ้ามันยาวๆเขายัางชั่วหน่อยนะไปปาดปาดปา ด, ปาดออกยังไปหลอกชาวบ้านเข้าได้มากอันนี้แค่คืบเดียวอย่างเงี้ยหัวท้ายถูกไฟไหมจะไปจับกลางก็ไม่ได้เดี๋ยวเหม็นขถ้าหากว่าปล่อยให้กามวิตตกเป็นต้นเกิดก็จะในลักษณะนั้นอันนี้พูดถึงคนไม่ผิดศีลศีลดีแต่ว่าอากุศลจิตเกิดเท่านั้นเองคือศีลในลักษณะพระวินัยบัญญัติไม่ล่วงเลยแม้แต่ข้อเดียวแต่ปล่อยให้อกุศลจิตเกิดลักษณะนั้นนะมีค่าเหมือนกับท่อนฟืนเผาศก จำจะกล่าวไปยายถึงศีลไม่มีหรือผิดศีลเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่มีในเรื่องของศีนสังวรอไม่มีอินทรีย์สังวรไงไม่มีแล้วก็อวีติกามะก็รู้สึกว่าจะร่วงด้วยคือเฉพาะอวีติกามะไม่ได้ละเมิดมาลักษณะทางกายทางวาจาไม่ละเมิดแต่ว่าอันนัถ้าพูดแบบตรงคําเลยก็คือพระเนี่ยบวชนั่งคิดถึงสาวอยู่อย่างเงี้ยเอาไง ในขณะที่นั่งคิดอยู่ในขณนะนั้นเนี่ยนะบอกว่าฆ่าตัวท่านในขณนะนั้นะคิดด้วยอกุศลนะถ้าคิดด้วยลักษณะที่เป็นอกุศลนั่นะฆ่าตัวเหมือนกับท่อนฟืนเผาศพอันนั้นแหละเพราะอะไรเพราะว่าประโยชน์ที่คาวาะเขาทําให้ทานเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําแบบลากิจของสั ม, มณะขณะนั้นก็ไม่ได้ทําแล้ว น, นะเป็นอกุศลวิตกเกิดขึ้นฆ่าตัวนี่เหมือขนาดนั้นเองนะแล้วไม่ใช่มีสูตรเดียวนะั้นแบบเนี้นะมีหลายแห่งนะที่ผู้พูทธพจน์ตรัสแบบนี้ เพราะฉะนั้นที่พึ่งเว้นจากกุศลศีลเหล่านี้อย่างอื่นจะมีแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีศีลแบบนี้แล้วใครเล่าจะา ก, กำหนดอานิสงค์คือปริมาณว่าศีลนีจะให้ผลเท่านี้เท่านี้ว่า ง, งั้นถ้ารักษาได้ถ้ารักษาได้นะถ้ารักษาไม่ได้ก็โอคือมหาสานว่า ง, งั้นเอะเขาบอกว่าถ้ารักษาศีลได้นะปรารถนาสวรรค์เนี่ยเขาบอกว่าโปรปารถนาต่ามากว่า ง, งั้น น, นะถ้าปรารถนาเป็นมนุษย์มหาศาลนี่เขาบอกเป็นเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าตกต่าที่สุดในบรรดาคนมีศีลทั้งหลายแล้วเนี่ยนะท่าน้อมไปเพื่อมนุษย์หรือน้อมไปเพื่อสวรรคร์เขาบองั้นถ้ายิ่งเป็นพระอ่าพระสมัยก่อนๆด้วยแล้วเนี่ยเขาบอกโอ้โหท่านรังเกียจมากที่จะตายแบบคนมีกิเลสก็บอกว่าถ้าท่านจุติหรือตายขนานี้สวรรค์ท่านไม่ได้สงสัยอะไรหรอกเพียงแต่ว่าท่านเบื่อหน่ายเหลือเกินที่จะตายแบบคนมีกิเลสเพราะว่าเมื่อไร่ไม่รู้จะมีพระพุทธศาสนามาให้ปฏิบัติแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง นะบางองค์นี้ท่านมีความรู้สึกลักษณะนั้นเลยเพราะว่าท่านท่านไม่ได้มาค้าสวรรค์แต่ว่าท่านเห็นภายในสังสารวัตรเหมือนกันเพราะนั้นพระรัฐบาลเนี่ยนะภรรยาท่านมาถามว่าเออพระลูกเจ้าวนะ่างั้นนางฟ้าที่พระลูกเจ้าบวชเพื่อต้องการเนี่ยเป็นอย่างไรหนอนะดูก่อนน้องหญิงอัตอมาไม่ได้บวชเพราะเหตุแห่งนางฟ้าดอกวนะ่างั้นคือไม่ได้บวชมาเพราะต้องการสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเห็นภายในสังสารทุกเนี่ยนะ เห็นภายในกรรมและผลของกรรมว่ากรรมนี่มันมีผลจริงๆนะเจตนาถ้าใครคิดยังไงมันมีผลแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นไอ้เจตนาที่มันมีผลเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเจตนาที่คิดไม่ได้เป็นเจตนาที่เป็นกุศลอะไรทีนี้เมื่อเจตนาที่คิดคิดเหล่านั้นไม่ได้เป็นกุศลเอากุศลไม่ให้ผลหรอถ้ากุศลไม่ให้ผลเมื่อไหร่นะหลักคําสอนในผู้ศาสนาผิดแต่นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนีย่ยนะทั้งกุศลเจตนาทั้งอกุศลเจตนามีผลเสมอไป นะอย่างเรานั่งอยู่อย่างนี้อะวิบากเนี่ยเกิดไม่หยุดหย่อนในใช่ไหมในทวารห้าเนี่ยมีมีว่างไหมทวิปัญจามีว่างเว้นไหมวิบากเกิดตลอดเลยและในขณะเดียวกันเว้นขนาดไหนบ้างที่เราไม่คิดเรามีเจตนาตลอดทํากรรมใหม่ตลอดนะเพราะฉะนั้นกระแสแห่งกรรมและผลของกรรมเนี่ยนะไม่มีที่สิ้นสุดะนะถ้าหากว่าไม่สามารถยังอรหัตมรรคให้เกิดได้นะทางกรรมและผลของกรรมเนี่ยเป็นอย่างนี้เรียกว่ากระแสแห่งวัตตะ หรือสังสารวัฏเน่เพราะศีนนลเนี่ยเป็นที่พึ่งจริ ง, รงๆของกุลบุตรทั้งหลายคาถาต่อไปกล่าวว่าแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายที่ไหลไปสู่ที่ลุ่มมีคงค า, า, าก็ดียมุนาก็ดีสระพูก็ดีสรัพวดีก็ดีแม่น้ำอจิระวัดีก็ดีแม่น้ำมหีก็ดีหาอาชาระมนทินของสัตว์ทั้งหลาย ในโลกนี้ได้ไหมน้ำคือศีลแลย่อมชำระมนทินของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเขาบอกว่าคาว่ามนทินนี้แปลว่าเครื่องเศร้าหมองของของจิตเนี่ยนะเออจิตที่เศร้าหมองเนี่ยจะเอาอะไรมาชำระมาทำให้สะอาดถ้าร่างกายสกรปรกเศร้ามองก็ค่อยยังชั่วหน่อยใช่ไหมเอาแม่น้าเนี่ยนะมากลัน่นมากรองเป็นต้นมาซักมาฟอกมาอาบมาขัดถูก็พอที่จะสะอาดได้ แต่จิตที่เป็นบาปความเศร้ามองของสัตว์เนี่ยนะความเศร้ามองความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความเศร้ามองทางกายกรรมวจีกรรมที่ล่วงละเมิดออกไปนั้นๆเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องชำระเพราะฉะนั้นน้าคือศีลนี่แหละชำระความเศร้ามองของสัตว์ทั้งหลายได้เนะียชำระได้จริงๆนบริสุทธิ์จริงๆอ่ะแต่ว่าขอให้เกืดบมีศีลจริงๆนะ เอาถามว่าศีลเนี่ยแบ่งออกเป็นสองนะศีลที่เป็นโลกิยะและโลกุตระถ้าได้ศีลระดับโลกุตระชัมระได้หมดจดนะจะเศร้ามองแบบพระองค์คุลิมานก็หมดจดได้นะอย่างเหมือนกับพระเมื่อกี้ไงตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะก็เศร้ามองขนาดนั้นท่านยังหมดจดอ่ะพระองค์คุลิมานก็ยังหมดจดหลายต่อหลายท่านโจรอ่ะที่เป็นลูกศิษย์ของพระโศนคุติกันนาเนี่ยโจรทั้งนั้นเลยก็บริสุทธิ์ บางคนก็เป็นชาวประมงมาก็บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นแม่น้ำน้ำคือศีลคือคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยให้สัตว์ให้บริสุทธิ์ได้จริงๆอย่าลืมว่าศีลนี่เราอย่าไปคิดว่าโลกุญญศีลแบบเราอย่างเดียวนะอย่าเอาศีลแบบเราเนะ้อเอาศีลแบบโลกุตระศีลเป็นต้นนั่นแหละแล้วก็ศีล น, นี้เป็นเครื่องระ ง, งับดับความร่าร้อนได้ว่าศีลอันเป็นอริยะคือศีลที่บริสุทธิ์นี้มีความเยือกเย็นเลือกเกิน ที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมระ ง, งับความเร่าร้อนใดของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้เดี๋ยวนะกระวศีนี่นะนนนะระ ง, งับความเร่าร้อนได้ทั้งหมดประมาณันเถอะลมที่พัดไปกับฝนก็ระ ง, งับความเร่าร้อนนั้นไม่ได้แม้แก่นจันรแดงก็แก่นจันแดงเ น, น, นี่ยเป็นของยินนะก็ไม่สา ม, มารถระงับความเร่าร้อนนั้นได้ สร้อยคอก็ไม่ได้แก้วมณีก็ไม่ได้รัศมีอ่อนๆของพระจันทร์ก็ระงับไม่ได้ลมเย็นโชยชมจันทร์ยามค่ําคืนก็ระงับความเร่าร้อนด้วยอํานาจกิเลสเหล่านั้นไม่ได้หรอกแต่ว่ากุศลศีลเหล่านี้เนี่ยสา ม, มารถระงับดับความเร่าร้อนของสัตว์ทั้งหลายได้โอ้พระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยหลังจากฆ่าพ่อแล้วนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะมันระแวงตลอดเลยอะคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์วันเพ็ญสองกระจ่างว่างั้น โอ้โหวันนั้นเนี่ยร่าร้อนที่สุดเลยนะเงื่อนี่ตกพลักพกทั้งทั้งที่ททพัดศาทลมเย็นสบายวังนี่ไม่เย็นเลยอ่ะมันร้อนจริงๆนะวังนั่นเดีอยู่ห้องแอร์เนี่ยถ้าทําบาปอย่างไรอย่างหนึ่งมาเนี่ยโอ้ยแอร์เนี่ยนะเพิ่องศาเพิ่มอีกก็ไม่เย็นนะมันเร่าร้อนไปทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เย็นอกเย็นใจนอกจากศีลมีที่ไหน น, นะความชั่วถ้าทํามาแล้วเนี่ยโอมันเร่าร้อนจริงๆอยู่ที่ไหนก็ร้อน แต่ถ้าหากว่ากุศลศีลถ้าชำระได้สามารถทำได้รักษาได้ทำให้บริบูรณ์ได้ทำให้ร่มเย็นจริงจริงกลิ่นที่ฟุ้งไปได้เสม อ, อกลิ่นที่ฟุ้งไปได้เสมอทั้งในที่ตามลมทั้งในที่ทวนลมอันเสมอด้วยกลิ่นศีลจักมีได้แต่ที่ไหนะนะคำว่ากลิ่นคือศีลเนี่ยนะกลิ่นกลิ่นในที่นี้หมายถึงชื่อเสียงนะ คำว่ากลิ่นศีลเนี่ยกลิ่นคือกิตติศัพท์ชื่อเสียงที่มีศีลเป็นสมุดฐานที่มีศีลเป็นเหตุเนี่ยนะท่านเรียกว่าศีลขันโทคือกลิ่นศีลหมายถึงชื่อเสียงเพราะภาวะที่ชุ่มชื่นใจและเพราะแผ่ไปในทิศ ท, ทั้งหลายได้และไปทวนลมได้เนี่ยนะศีล น, นี่แหละหมายถึงชื่อเสียงนั่นเองเป็นกลิ่นของศีลบันได ย, ย่างขึ้นสู่สวรรค์ก็หรือว่าประตู ในอันเข้าไปสู่นครคือพระนิพพานอย่างอื่นที่เสมอด้วยศีลจกมีแต่ที่ไหนเนี่ยนะบันไดสวรรค์ประตูนิพพานเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีศีลแล้วเนี่ยโหหวังยากว่า ง, งั้นจะเพราะว่าจะขึ้นสูงเนี่ยนะบันไดไม่มีว่า ง, งั้นแหมมันยากเหมือนกันนะจะเอาอะไรไปใช่ไหมถ้าถ้าหากว่าพูดถึงสวรรค์เนี่ยเอานั่งนั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดจะตายตรงนี้แล้วจะไปสวรรค์เอาอะไรไปแล้วก็นั่งนั่งนึกนึกดูนะ เอาเสื้อผ้าไปด้วยก็เอาไปไม่ได้หรอกเอาจะเอาอะไรติดตัวไปถ้าหากว่ากุศลธรรมไม่มั่นจริงๆเนี่ยนะยากเพราะฉะนั้นอกุศลศีลเหล่านี้นีนะ่จึงเป็นเหมือนกับบันได ย, ย่างขึ้นสู่สวรรค์หรือถ้าหากว่าปรารถนาจะสงบประ ง, งับดับกิเลสบรรลุพระนิพพานนอกจากศีลจะมีแต่ที่ไหนเหมืกันเพราะฉะนั้นสิ่งอย่างอื่นที่จะเป็นประตูให้เข้าถึงนิพพานได้เสมอด้วยศีลไม่มีหรอกเราพระราชา ประดับด้วยมุกดาและแก้วมณีแล้วหางดงามเหมือนเหล่านักพรตผู้ประดับด้วยเครื่องประดับคือศีลแล้วงดงามอยู่ไหมเห็นไหก็ว่าแม้แต่พระราชาที่ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชก็เคารพสัมมณีนะนี่โนะครธสมัมมณีใน ย, นยุคเจ็ดขวบเองเนไเพราะฉะนั้นขนาดว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะ นะถึงจะแต่งตัวงามขนาดไหนก็ไปเคารพสามเณรน้อยนี่ยซึ่งที่เรียกว่ามีศีลพระราชาเนี่ยนะแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศก็ไปเคารพผู้ผู้มีศีลทั้งหลายเพราะฉะนั้นนักพรตผู้ทรงศีลจริงๆเนี่ยนะมีเครื่องประดับที่งดงามกว่าที่พระราชาเป็นต้นก็ยังเคารพกราบไหว้เพราะฉะนั้นเครื่องประดับเครื่องอลังการที่ทําให้งดงามจริงๆเสมอด้วยศีลหามีไหมว่างั้นเถอะศีลย่อมขั กรจัดภัยมีภัยคือการติเตียนตนเองเป็นต้นได้ได้โดยประการทั้งปวงถ้าคนมีศีลแล้วเนี่ยนะกรรจัดภัยคือบางคนเนี่ยทำผิดพลาดมาก็ตำหนิตัวเองใช่ไหมถ้ามีศีลดีเนี่ยจะไม่ตำหนิตัวเองด้วยเขาเรียกว่าภัยคือการตำหนิตัวเองก็ไม่มีผู้รู้ไข้ครวนแล้วตำหนิก็ไม่มี อันนเอาคนพานเป็นประมาณไม่ได้นะคนพานเขาชอบเขาก็ชมเข า, ช, เขาชังเขาก็แช่งนั่นแหละเอาเอาเข้าเป็นครูเป็นอาจารย์มากไม่ได้ภายในสังสารวัตรก็กาจัดได้ถ้ามีกุศลศีลจริงๆศีลเนี่ยยังเกียรติและความบันเทิงให้เกิดแก่ท่านผู้มีศีลได้ในการทุกเมื่อเนี่ยนะยิ้มได้เพางั้นเถอะขนาดเสือกัดแล้วก็ยังยิ้มได้แล้วก็เจริญวิปัสสนาและบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อไป เออมีนะเดี๋ยวเราเรียนเรื่องสติปทานแล้วก็ในอัตตะทัสติปฐานกล่าวไว้ขนาดพระเถระบางองค์ถูกแทงอยู่นั่นแหละท่านก็ยังบันเทิงเจริญวิปัสนาบรรลุแล้วก็ปีติปราโมทกล่าวอุทานออกมาได้มันถ้าเจ็บป่วยขนาดไหนถ้ามีกุศลศีลเป็นที่บันเทิงใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้วนะทำยังเกียรยังความบันเทิงให้อะไรที่ร้องระ ง, งมซะส่วนใหญ่ก็หมศีลก็ไม่ค่อยดีไอ้ที่ไปในเบื้องหน้าก็ไม่รู้แตะกุยต่กายให้อยู่ได้ก่อน เพราะไม่มั่นใจเลยว่าไอ้ชาติหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมมันจะเอ้มันวันนี้พุ่งนี้แล้วมันชักไม่มั่นใจแล้วจัเดือดร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะอยู่ได้ก็จะขวนขวายดิ้นรนอยู่ต่อไปบัณฑิต ท, ทั้งหลายเพ่งทราบกระถามมุกว่าด้วยอานิสงส์แห่งศีลเนี่ยอานิสงส์ของศีลอันเป็นมูลแห่งคุณทั้งหลายอันมีปกติกาจัดกาลังของโทษ นะคือความละเมิดวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะโดยประการดังกล่าวแล้วเทิดชนีแล เ, นะเพราะว่าศีนนี้เมื่อรักษาดีแล้วก็ไม่ให้กระทำการละเมิดวัตถุที่เป็นโทษเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมคือศีนเนี่ยนะก็จะเป็นมูลแห่งคุณธรรมอย่างอื่นอื่นอีกมากมายมหาศาลสิ่งเหล่านี้ก็กล่าวถึงอ น, นิสงค์ของศีน น, นะ